เราก็นั่งไปดยวทำกันวันนี้สวดใจสองคนสวจอีกคนหนึ่งเสียงแหลมเปียบอีกคนหนึ่งเสียงใหญ่ก็ต้องปรับกันแล้วนะมันก็เป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เรียกว่าทาวัดกันได้ทุกคนนำตรวดกันได้ทุกคนฝึกกันไว้ พร้อมอยู่เสมอขอพูดต่อจากหลงพ่อมาเจ้านิดนางนะมาเช้าใครมาทธรรมตอนเจ้าหลวงพ่อท่านกะเทเาไว้ก็น่าฟังหลายเรื่องหลายตอนแต่ว่าเรื่องการเดาทำนี่ต้องทำเอาเองสำคัญทำเอาเองมันก็จะเป็นสูตรกับมันอยู่สูตรหรือภาษาเกรียมว่าฟอร์ม ล, ลสูตร ถ้าทําอะไรเนี่ยรัดสั้นๆรู้สูตรเนี่ยมันจะสาเร็จได้ไวสูตรของน้ําสูตรของอากาศสูตรของโอโซนมันก็มีมันอยู่อย่าตอนนี้โอโซนเยอะความชื้นก็ประมาณเจ็ดสิบห้าความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกำลังย่ำลงไปที่สิบเก้ามันก็มีเครื่องมือวัดชัดเจนวัดชัดเจนมีสูตร เป็นเครื่องมือเยมันก็จึงเป็นเรื่องที่เราใช้สูตรมหาติสานสูตรเนี่ยปฏิบัติมันเป็นหนทางเองหนทางเดียวสู่การพ้นทุกข์สู่การรู้แจ้งมีทางอื่นสรรมะถ่ายวิปัสสนามันมีสมมตุติมีบัญญัติเราสมมติยังไงมันก็บัญญัติไว้ในใจเราอย่างนั้นน่ะสมมติว่าชอบสมมติว่าไม่ชอบสมมุติตอนนี้ มันอยู่ที่จิตคิดทั้งหมดเลยร่างของสมมุตินะมันอยู่ที่ไหนเลยในความคิดนั่นแหละคือสมมตุติและจิตของเรานั่นแหละคือตัวที่มันพาสมมุติมาทําให้เราสุขเราทุกข์สุขสนตัวนี้แล้วก็มีปรมัดปรมัิก็คือความจริงร่างกายดุนก้อนหนึ่งเป็นธรรมชาติก้อนธาตุก้อนธรรมเลยความจริงมันเป็นธรรมนี่อาจแผ่นนะแบบนี้นะ ปรมัทตย์คือความจริงที่มังปรากฏอยู่ <c oughs> และไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันการแก่การเจ็บการตายของกายนี่คือความจริงไปเสด็จยังไงก็ไม่ได้หรอกมังกายของเราเป็นยังเงี้ยมกี่ล้านกี่กลับกี่กันกี่อาศงไขังเป็นอยู่อย่างเงี้ยเกิดจากท้องแม่ครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลม ภาษาที่สื่ออยู่ตอนนี้นคือสมมุติเป็นภาษาคนตัวให้รู้กันแบบภาษาคนไทยเลยนะที่ใช้บาลีบาลีธาตุมาจากคำบาลีธาตุดินเรียกว่าปัตเพลมเรียก ว, วายโยเงวายโยธาอากาศธาตุมันมีมันอยู่ ดินน้ำไฟลมทีนี้มันเประษาะไหนอ่ะเป็นนัที่มันเป็นความจริงของมันแบบต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายตามกฎของวัตลัยรักเราเห็นเป็นมริัตรถสภาวะ <c oughs> แมวกลายเป็นเราส่วนอาการที่เกิดในกายอันเป็นระนะของอาการที่มันไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อ่ะ ไอ้สุขทุกข์อ่ะคือสมมุติที่เกิดในจิตของเราที่ไปตีความและบัญญัติลงไปโดยอาการเนี่ยอาการนันเป็นธรรมชาติเหมือนกันมันเป็นสัญญาณภัยของกายที่มีการเก่งาการตึงาการย่อนร้อนหนาวกระทบพวกนี้แล้วก็จะมีอาการปฏิยาต่างๆมากมายเกี่ยวข้องอันนี้คือปรมาจิตเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้อากาศการนันนี้เราก็สัมผัสเหมือนกันบางคนมีผ้าห่มเขาอุ่นบางคนไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้า พันคอมันก็หนาวบางคนไม่ได้อาบน้ํำมันก็ยิ่งหนาวมันคนอาบน้ํามาแล้วก็อุ่นขึ้นให้สังเกตเถอะเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะบางคนไข้ตายเช็ดนป่วยไปโรคจับไข้เพอเพออาจจะสั่นหนาวตายไปเลยก็ได้มันเป็นความจริงมันแบบนั้นเราจะใช้ปัญญายังไงเกี่ยวข้องกับเขาให้ถูกต้อง ไอ้ตัวปัญญาเลยเนะี่ยมันเป็นปัญญาที่เป็นความชํานาญเป็นประสบการณ์ที่จะถูกระลึกเอามาใช้ให้ถูกกาลเทศะเรียกว่ากุศลจิตคิดอย่างเงี้ยเป็นความฉลาดเป็นกุศลช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาดีให้เขาเป็นบุญมันสมมติกันแบบนั้นบัญญัติเข้าไว้แบบนั้นมันจึงมีลักษณะของอริยะบัญญัติใายสื่อบอกกันน มัเป็นลักษณะของบัญญัติสมมุติบัญญัติแบบทั่วๆไปแบบคนโง่ก็บัญญัติกินเหล้าเมายาหาเป็นความสุขเกิดจากตัวคิดไนงะไอ้ตัวสมมุติในจิตนี่ยก็คือจิตมันคิดแต่ถ้าจิตมันมีสติปัฏฐานแล้วก็ระลึกรู้มีปัญญารู้อย่างถูกต้องอันนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของความฉลาดจิตเป็นกุศลน แต่เรื่องของการรู้และรู้ถูกสมมติจัดจ่าะใช้จัดจะถูกต้องคือความจริงเอามาใช้อย่างถูกต้องเป็นตัวแก้กันกังเขืนมืดก็เอาไฟแสงเนีออ่อนออกมาเปิดเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นความฉลาดเป็นความฉลาดทางวิทยาศาสตร์เรารู้อยู่เอดิสันทดลองแล้วทดลองอีกอันดับแรกเอาใบไม้ไมา เอาใบไม้มาเสร็จแล้วว่าลองไปวืบเฮ้ยตกใจมันเกิดอะไรขึ้นมีแสงว่าขึ้นมาจากไอ้เซลล์ของใบไม้ที่มันไม่ใช่ใบแต่เป็นเซลลตอนหลังก็ไปติดทดลองแล้วทดลองอีกนะนับพันนับหมื่นนับแสนครั้งจนเป็นหลอดปัจจุบันเป็นหลอดตะเกียบก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็เป็นลนักษณะของยุทธศาสตร์การขายของ จากหลอดย า, าเป็นหลอดตะเกียบเป็ น, นหน้่ของวิยาศาสตร์การขายของจนกรทังมันเป็นหลอดไฮโดรเจนต่างๆมากมายเทคโนโลยีนาโนอันนี้คือสมมุติทางวาิทยาศาสตร์นะที่บัญญัติกันไว้แล้วก็ยอมรับด้วยทางกลไกการตลาดจิตคิดอย่างนั้นเลย จิตละโมบโลภมากแก็จิตทิมเป็นวิวัฒนาการพัฒนาการขึ้นมาคนรุ่นเก่าก็งงไม่มีปัญญาไม่ฉลาดทําอะไรก็ไม่รู้ปัจจุบันทันโลกทันเหตุการณ์พราะจิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องเนี่ยไม่ให้แก่ก็ว่าสมมุติเนี่ยเกิดที่จิตคิดนะที่พูดอย่างเงี้ยไม่มีทั้งอื่นเป็นภาษาต่างๆในสมมติทั้งหมดเลย ตัวร่างกายเนี่ยเป็นปรมาณลด้วยถ้า ร, ารู้สึกตัวนี้ยิ่งใช่เลยพอ เ, เห็นกายต่างความเป็นจริงจิตนี่เกิดดับทั้งวันแปลหน้าของโอปปาติกะก็สมมติพูดกันอย่างนี้เลยนะเพราะฉะั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมมีความรู้สึกตัวมันจะรู้สมมติรู้ปรมาณรู้การบัญญัติต่างๆที่เกิดมาจากสมมติเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปแลว้วก็จิตว่างจิตว่างนี่อยู่ตรงไหนรู้ไหมเนะี่ยจิตว่าง มันว่างแบบไหนมันว่างแบบเฉยเมยไม่รู้อะไรแล้วมันว่างแบบไหนล้วนว่างแบบคิดว่าว่างมันเมีมันอยู่แล้วคิดว่าว่างรู้ว่าว่างการสัมผัสว่ามันว่างจริงเพราะนั้นความว่างในที่นี้คือว่างจากการคิดปรุงแต่งมันว่างจากการคิดการปรุงการแต่งปรุงแต่งในทางพอใจไม่พอใจะ ชอบไม่ชอบยินดียินไลสุทุกขคนตัวปรุงที่มผิดปกติส่วนอเวขาแล้วก็รู้อยู่อันนี้มันก็เป็นการปรุงสติแลกอรูร้เนีแต่ว่าเป็นการปรุงที่ท้ายสุดนั้นไม่ปรุงมันเป็นปัญญาญานมันออกมาสู่โล ก, กุตัลลามิยโลกียะโลกียะนั่คิดมากมันใช้เป็นความโลภนี่ความโลภมันคิดมากคิดมากอยากได้เป็นแปร นะโดยที่ม่รู้เนื้อรู้ตัวมากมายอย่างพระอยากให้ยอมดีเรียกว่าปรัตถปะชีวิเ ป, นะปรตพรานี่แหละตัวเป็นเปรตทีนะ่เป็นง่ายกับเพื่อนเหมือนกันพ่อแม่พวก น, นี้เป็นเปรตง่ายอยากให้ลูกดีอย่างที่ใจเราต้องการไม่อิ่มความดีของลูกสักทีนะอยากนั่นอยากนี่อยากโ น, น่นะแล้วแต่พบภูมิที่มันลึกลงลึกลงรวมตื่นตื่น นโลกแบบตื่นๆหรือนโลกลึกๆมันมีก็มันอยู่นะครับแบ่งไว้หลายชั้นเหลือเกินเทวดาแบบไหนแบบเพิ่งเพิงเป็นเทวดาชั้นต้นหรือว่าท้ายสุดปรินิมิตสุรศัตวดีนะดีเลิศเนี่ยติดดียังนั่งบ้าดีทุกมากเนี่ยมันก็มีก็มันอยู่แต่ก็ต้องสร้างสรรค์ไวะ้นะอายชั่วกลัวบาปเป็นลักษณะของโลกที่ทําให้มันหนาอยู่ขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปมหลิงโอตปา่าพวกนี้ ร่าเมตตาโกนาเนี่เป็นสมมติบัญญัติทั้งหมดเลยที่บัญญัติกันเข้าไว้นั่นการหยิบมาใช้เนี่ยไม่เรื่องสําคัญจะใช้ยังไงการสอนธรรมเนี่ยมิจฉาอยู่จะสอนได้ไงไ่ายๆนะหลวงพ่อพูดโดยไม่ช้ า, าสอนมากๆว่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้รู้จริงจากการปฏิบัติมิจําพูดนะพูดไว้ชัดปุดโฉวพูดยาพวกนี้วันนั้นของเราให้ต่างคนต่างทํากันก็ไว้ พระนี้ทำไมได้นิมนต์นี่หมดจิตเทศเลยนะตอนนี้วันนี้ถือว่าทำหน้าที่ไม่มีใครอยู่นะก็จะพูดแล้วก็รับผิดชอบคาพูดด้วยไม่จะไม่รับว่ามีเครื่องอัดเอาไว้อีกสิบปียี่สิบปีเปิดฟังมัน เ, เป็นยังไงกลตรวจสอบยาวนานก็ต้องอาราธนาพรมพรมมาจชโรกาอย่างเงี้ยจนกระทั้งได้เทศ โยมจะฟังได้ก็ต้องผ่านสี่ห้าก่อนตั้งนโมตัสสะปวโทอะโอตะ อ, อ, อรณาสีนปานตาิปานาจะนั่งสุราเมรยามมาจัดประมาตะทตท้านาเวรมเนรล้ลก็นั่งฟังพระก็พูไทยฟังแต่ของเรานี่มันเป็นลักษณะของหน้าที่เลยกิจวัตรประจําวันทําวัดสุดมองฟันเทพ ฟ, ฟ, ฟังทำอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องฟังในสิ่งที่เราทําด้วยนะเราทําอะไรหล่ะมาทําอะไร ถ้เรามารู้สึกตัวการเดินจงกรมการนั่งสร้างชวล่ะทําทไปเถอะทาไปสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกทุกครั้งที่มันกระทบสัมผัสการเคลื่อนการไหวเรก็หยุดรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวฝึกตัวรู้แอ็มคลองตัวเราจะเห็นว่ามันมีอารมณ์ต่างๆโผล่ Pro, ขึ้นมาขัดขวางมากมายอารมณ์นะี่ยบางทีมันก็ไม่มีนิวรนธรรมกันแนมมีความดีข้างนอกช่วยเราทํา เดี๋ยวนั่นหน่อยเดี๋ยว e, นี่หน่อยเดี๋ยวกวาดหน่อยมันก็ไปอย่างงั้นเดี๋ยวตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นมันจะมีเรื่องที่ชวนออกถ้าเรารู้ทาง ร, รู้ทางก็ถือว่ามีสติเป็นหน้าที่ก็ไปทําแต่ถ้าไม่ใช่หน้าที่อย่างเนี้ยก็ไม่ต้องทําอย่างเช่ น, นกาหนดไว้สามโมงเย็นเนี่ยให้มากวาดเจ็ดถูพื้นอะไรเงี้ยถ้าเรารู้อ๋อกาลาเทศานี้ชุมชนนี้อย่างเงี้ยเราก็มาทําอันนี้ถูกต้องทีเดียว่าเราไม่ได้ขนขว่าให้ทำ เป็นข้อกำหนดเป็นกติกาเป็นกฎเป็นระเบียบธรรมีวินยัยเราก็รู้อย่างเนี้ยปัญญาชนเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเกณฑ์ไม่ต้องไปคอยถล่อมบอกกันทุกวันปากเบียกปากแชะนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของใครของเราละตาดีได้ตาลายเสียตาดีก็ได้ของดีไปตาลายก็เสียถูกหลอกที่ไหนที่ไหนมันก็มีอย่างนี้ละ จะเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้ผีหลอกไม่ว่าคนอื่นหลอกกันไมไ่ตัวเองหลอกตัวเองว่ารู้สึกตัวตรงนี้น่ากลัวนะต้องสัมผัสลงไปยกมือสัมผัสลงไปเดินก็สัมผัสจริงๆนั่งตอนนี้ก็รู้จริงๆฟังก็ฟังจริงๆสัมผัสจริงจริงนะมันก็จะเป็นเรื่องของความจริงที่กาลังปลากรเนี่แหละขณะนี้ขณะนี้ที่มันสัมผัสตรงๆลงไปเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อถูกเนื้อผิดเนื้อเหตุเนื้อผลเนื้อบนเนื้อบาป เหนือสุขเหนือทุกรู้ซื่อๆรูๆ้เฉยๆอันนี้ก็ต้องฝึกกันแล้วก็สังเกตอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะในตัวเรามันกําลังบอกทิศบอกทางและบอกความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าเราเห็นความจริงสัมผัานรู้รู้คิดเอาคิดเอาอารมณ์นี้ฉันไม่ชอบอารมณ์นี้ฉันชอบเมัวแต่ชอบไม่ชอบขณะปฏิบัติมันก็เสียววเวลาแวะสองข้างทาง แมื่เราแวะมก็ไม่ได้เดินทางแต่มันการเดินทางเราแวะ บ, บ, ว บ, บว่อยๆแวะปั๊มบ่อยๆแวะเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แวะซื้อของช้อปปิง้งสองข้างทางมีอะไรขายก็จอดจอดจอดจอดเผลอๆไม่ได้เหลือชีวิตกลับบ้านหรอกมีอีกคนหนึ่งระมาเคยครั้งหนึ่งอยู่ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระยองมันติดกับร้านอืม ติดการลงเรียนระยองวิทยาคมตรงร้านนัดพบอันมาเคยมีอาชีพหนึ่งก็คือติดตั้งกล้องโทรทัานจอปิด CCTV ตรงไหนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านทองเป็นธนาคารเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ๆแล้วกท่อสิ่งแปไปติดให้ครนี้ร้านเนี่ยเราไปติดไว้ชุดนั้นก็สี่ชุดนะมันจะมีลลนสาของสวิต c h เ r อร์ สหายเก่าวรวนเก่าวแล้วเข้ามอนิเตอร์ชุดหนึ่งชุดนี้ประมาณแสนกว่า บ, บาทไปติดกันนี้เวลาเก็บตังคนะ์ต้องจ่ายเช็คกันนะต้องจ่ายเช็คเราผ่านไปเราก็แวะเยี่ยมลูกค้าเป็นยังไงบ้างดีไหมงานอะไรเลยงานนี้งา น, นงานอะไรเลยทีนี้วันนั้นไปเก็บตังค์ปรากฏว่าลูกสาวเขาชื่อเก๋นะชื่อเก๋ะนะเกทางานอยู่บริษัท ดังจงังใบจัดนึงวารยองทีนี้เขาเงินก็ไม่ค่อยพอไม่ค่อยพอหมุนแล้วก็แปลใจก็เพื่อแง่ตือบ่อยๆเดี๋ยวเช็คเด้งเสร็จแล้วตกเย็นๆแบบนี้มีข่าวบอกว่าแม่ตายแล้วไอ้เก๋พาแม่ไปตายวันนั้นก็ไปกรุงเทพกันแล้วก็เดินทางกลับ แวะจอดซื้อของข้างทางมีร้านขายของข้างๆเดียในสองข้างทางมีร้านขายของนะในประเภทจอดแวะปรากฏว่าเรามีซูมชิชิเอร์เบนเซอร์สีขาวก็วเพิ่งถอยมาใหม่ๆเอเก๋ลงไปซื้อของแม่นั่งคอยรถจีบล้อมาอาดัดเอาไปกินเกลี้ยงเลยทั้งคันทั้งคนกินเกลี้ยงเลยตายคาที่ ไอเ้แกก็นั่งร้องโหม่ร้องไห้อย่างนั่นวันนั้นก็ยังจำก็แ้่เตือนนะ่ะเออน่ะไปไหนชอบแย่ก็เป็นอย่างนี้แหละเตือนก็าครนี้ว่าเตือนน่ะไปบ่ายทีว่าเออทาอะไรก็ทําให้มันตรงไปตรงมาหน่อยละปฏิบัติเนะี่ยแวะซ้ายแวะขวาแวะตรงนั้นแว ะ, ต ร, แวะตรงนี้กันนะอย่าพยายามทำอะไรเพื่อแวะข้างทางสิรอดรถเยอะเยอะจะถึงบ้านน่ะละทีน่ะอันนี้ก็เหมือนกันเรารับปากหมดหมายไว้แล้วเป้าหมายคือการคืนสภาวะจิต สู่ปกติของจิตเนี่ยมันจะไปแวะอะไรกันนะกันหนาเรานั่นทํานี่ทำนู่นเพราะฉั้นเวลาเรารู้สึกตัวนะรู้ให้จริงๆมันจะรู้ของจริงไหมเขารู้ของจริงคือมันรู้ตัวเองหรือเป็นยังไงหน้าทิทางเดินที่เดินผ่านมามันเป็นยังไงแวะบุญแวะบาปไปอดีตไปอนาคต่แทนที่จะมารู้สึกสัมผัสที่ปัจจุบันแล้วก็วางด้วยรู้รู้สึกตัวรู้ละรู้วางรู้ปล่อยไปน ทันทีทันใดที่กลับมาสัมผัสการเคลื่อนไหวเห็นกายเคลื่อนไหวนะี่ยเคลื่อนรู้ว่าเคลื่อนเดินรู้ว่าเดินรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนตรงนี้ลราจะเป็นลาบอันรเสริดของเราการได้ชีวิตนีเป็นลาบอันเปิดทีเดียวตรงที่ว่าได้ชีวิตมนมนุ่มมาเป็นชีวิตที่มีความรู้เนื้อรู้ตัวเดินทางสู่พระเป็นทิศทางเดียวที่ทําให้เรามีสติสมาธิปัญญาเป็นกําลังของชีวิตเรา ที่จะได้ดําเนินชีวิตก้าวอย่างต่อไปอย่างปลอดภัยไม่มีภัยก็เรียกอาริยะไม่มีภัยดันระดับไหนระดับหนึ่งเป็นเรื่องด้านในใจของเราไม่ใช่ด้านนอกเพราะง่ายสัมผัสดันนอกนะมองเป็นปรมัดก็คือสักตะว่านะั่นแหละเห็นสักว่าเห็นนั่นคือปรมัดนะเสียงสักว่าเสียงนั่นคือปรมรนะัตดกลิ่นสักว่ากลิ่นนั่นคือปรมรัด รสชาติแต่ว่ารสชาติหรือคือปรรมะท์ปรรัะท์คือตรงนี้นลเห็นความจริงจริงๆแต่ถ้าเห็นไม่สมมติรสเปรี้ยวหวานมันเค็มชอบไม่ชอบเี่ยเราก็รู้อยู่แล้วการก็ไปเนี่ยมีคุณมีโทษมีคุณมีโทษมีคุณมีโทษมีคุณมีโทษอะไรก็ตามคุณอันนั้นก็โทษอาหารมีวิปัสนามีวิปัสสนวิปัสสนทวิปัสคิดนีมันมีเขามันมากมายเลยวิปัสนาคืออะไรก็สัมผัสแรก รู้สึกนะแล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่าสักต่ว่ากันไหมก็คือไม่ได้ความคิดใส่ลงไปในสิ่งที่กระทบถ้าความคิดใส่ลงไปในสิ่งที่เรากระทบนะแน่นอนที่สุดมันก็จะเป็นสมมุติยาวเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ภาษาพูดมมนะั่คือสมมุตินะคือสมมุติเป็นสมมุติราบัญญัติลงไปเวลานี้หลังทํามัดก็ต้องพูดธรรมมา ก, กันแล้วก็ผู้พูดก็ต้องเรียกว่ารับผิดชอบเอา ในคำพูดเป็นภาษาที่คุณอนันโทษมาหันเพราะฉะนั้นภาษาภาษ า, าเดียวอีกคนนึงพูดน่ดูดีจังเลยแต่ไอคนพูดน่ไม่ดีเลยนะอาการเนี้ยอาการคือยาเนี้ยคนนี้ทำาน่ดีดีแต่อีกหลายคนทำไม่ดีเลยนะตรงนี้แหละเราต้องเห็นความจริงนะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตัวเราอยู่ทุกๆกขณนะเมือหันกลับมาเอาตา ในตาสติตาปัญญารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะเห็นความรู้สึกตัวทั่วแล้วร่างกายความรู้สึกตัวที่ปรากฏตั้งแต่หัวจดตาตรงเนี้จับให้ได้ก่อนเกลื่อนมือหยาบหยาบมันจะค่อยๆลามมาเสื้อผ้ากระทบนะหายใจกระพริบตาเนี่ยวนทั้งมันสัมผัสละเอียดลงละเอียดลงจนเห็นความคิดตามกําลังของสติที่มารู้ได้ไวรู้นอกรู้ใน รูปธรรมนามธรรมมันจะรู้ลอกเออรู้นอกรู้ในแต่จะรู้ในไม่รู้นอกไม่เห็นเป็นรุ่นก้อนอยู่ให้รู้กายแล้วก็รู้ใจการรู้กายมันเป็นรุ่นก้อนแต่พเอเผอกายปั๊มก็พุ่งเข้าไปในวัตถุ ก, กายมคุณทันทีตาหูจะูกลิ้นกายใจจะพุ่งออกไปแล้วก็มีภาษาสมมติใส่ไปอย่างพลังพลูเลยนะขยายความตีควา ม, วามเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลเป็นชอบไม่ชอบมากมายเหลือกันเป็นกลุ่มก้อนเลยนะประเภทนี้ นี่พวกเราพูดภาษาเดียวกันนี่พวกใครไม่รู้ไม่พูดภาษาเดียวกันกลายเป็นอยู่ยากเองอยู่วัดได้อยู่ข้างนอกอยู่ไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ง ง, งข้างนอกเองพออยู่ข้างนอกนอก็หลงข้างนอกเองดูหนงังดูละครก็เผลอหลงกันไปอย่างเงี้ยหัวร้ร้องไห้หรือไม่คระทั่งมีเรื่องเนี่ยอย่างเช่นโยมงก็ตายในยบางคนนกลัวนะขี้ขาดไปเลยบางคนเนะเดินผ่านก็ขนหัวลุกเลยสู่ให้ไปนอนในยี้เลยแยงกันเลย อันนี้มันติดอยู่ในสมมติบัญญัติทั้งหมดนะคิดแล้วกลัวคิดแลวด้วกอดคิดแล้วกุมคิดแล้วกังวลคิดแล้วกลัวมีผลต่อตับอย่างเงี้ยคิดแ ล, ล้วก็ดีใจมีผลต่อหัวใจอย่างเงี้ยกังวลใจมีผลต่อม้ามเสียใจมีผลต่อปอดคิดมากๆกัระบบสมองระบบประสาทเสียหมดเป็นโรคประสาทโรคจิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความคิดทั้งหมดนะที่มันกอ่อความทุกข์นะ เ, เพราะที่เราไม่ได้เจตนาคิดไม่ได้ตั้งใจคิดตัวเนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวที่จะต้องเห็นทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรมคิดร้อยครั้งเห็นมาร้อยครั้งเห็นแล้วคิดห้าสิบครั้งเห็นมารห้าสิบครั้งน่ะเรียกว่าตัวพัฒนารู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้กันเมื่อก่อนเราไม่เคยป้องกันเพราะนั้นะมันมีสูตรขึ้นมันอยู่แล้วนะมาติฐานสูตรเห็นไกลยเห็นไหวเห็นใจคิดนึกในะอย่างชีวิตคู่ก็เหมือนกันยอม มันก็มีโสดของมันนะชีวิตคู่นะทําไงจะอยู่กันได้ดานานนะทำไงเราถึงจะอยู่กับสามีได้ดานานภรรยาอยู่สามีสามีอยู่ปัญญาได้ดานานโสดของมันชัดถ้อยชัดคําเลยก็คือให้เอากันเข้าไว้เนี่ยโสรของมันให้เอากันเข้าไว้ได้ยินไหมไหนลองพูดสิยอมพูดสิ ลองพูดสิให้เอากันเข้าไว้ใครฟังได้ยินอ่ะพูดให้เอากันเข้าไว้เงียบเอ่น เ, เลิกพูดดีกว่าพูดสิฝืนความกันนะเออนั่นนะ่ะโซดของมันให้ก็คือให้อภัยกันให้มากๆนะเอาก็คือเอาใจกันเข้าไว้นะ่ะ เอาใจเอา อ, อกกันเข้าไว้หนวะการก็คือรู้จักป้องกันซึ่งกันและกันไฟในเหยื่าออกไฟนอกเหยื่อเข้ามานะป้องกันความลับในบ้านเรื่องผัวเมียมจะล่วบุคคลที่สามจะเข้าออแทรกเพราะเรามีคู่ของเราจะมีสองสามสี่ห้าตามาเป็นพวง ก, นะการรู้จักป้องกันกันการเงินการทองใหญ่แรงข้ามมากาคาบหนีะ เข้าออกเข้าใจกันเข้าอ่ะเข้าเข้าใจกันหนักนิดเบาหน่อยก็เข้าออกเข้าใจกันไว้วางใจการรู้จักซื่อสัตว์ด้วยดีไหมดีไหมสุดเนี่ยคานันนะเห็นไม่ค่อยกล้าพูดกันมันคิดอะไรก็อยู่ในยมเนะ่ยเนะพระเนีามะนะลโยมมาราโมก็าบาลนะฮะมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วใช่ไหมก็พระพูดไปให้ยอมได้คิดอ่า แล้พระก็มีวิธีคิดขอวงพ่อพระคิดอย่างนีน้นนี้ก็คือสูตรแบบโลกโลกให้เอากันเข้าไว้เอา อ, อกเอาใจกั น, นอยู่ทางโลกอ่ะนัสมมุตินี่ยมันเป็นภาษานะแล้วเราก็ใช้ภาษาเรื่องการกรทนะทําพลันวิธีตีความขณะที่ฟังเนี่ยมันสู้เราลงมือกระทําไม่ได้หรอกกันในเราพลิกมือตั้งรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกมากระทบรู้สึกไอ้ตัวนี้มันคือไม่ใช่ภาษาผู้่นเป็นภาษาธรรม ที่ไม่ใช่ภาษาคนแล้วนะคือปรมามิตาสภาวธรรมที่มําลังปากรให้เราได้เดินทางเลยมีเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ติดหน้าติดหลังอะไรไมมีแต่เดินผ่านเดินผ่านไปก็คือความเป็นปกตินั่นแหละอันนี้ก็ประจายแล้วนสมมติอหกแล้ความเป็นปกติส่วนเป็นยังไงอยู่ที่ใจของเราแต่ละคนอันนี้จะเมื่อเจอข้อสอบจะรู้นะเวลาเจอข้อสอบมีคนนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสริมยศ ควจะรู้นะ่นะมันกระทบกระเทือนนะพลังงานของมันมันจาะเข้ามาว่าเราเอาสมมุติความคิดก็ไปใส่มากมายแล้วกันพรวันนั้นเราก็จึงนะตัวใครตัวเรานะอย่างที่หลวงพอ่อทนเทศน์มาเช้าปุตโฉปุิละปุตโฉปุิละเนี่ยฟังเรามยมอย่าไปรวมกลุ่มกันแล้วพยายามแสดงธรรมกันเองให้มากๆนะ่ยแสดงหลวงพ่อได้กินอะไรอยู่นะในวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านได้กินอะไรอยู่ โยนไปจับคู่กันไปจับพวกสองสามสี่ห้าแล้วก็แสดงธรรมกันนะมีคนมาฟ้องอาตมาหลายคนแล้วระยะเวสองสามวันที่ผ่านมานะบางทีจับกลุ่มข้างล่างลากมาคุยกันบางทีก็เดินก็นมาขาบนมาคุยกันโยมก็ก็ลําคาญนรไปฟ้องอาตมาอาตมาก็เลยบอกเฮ้ยวงแตกได้แล้วบางทีก็ที่ลานหินโงงเดินกันไปแล้วก็ไปคุยกันต่อหน้าก็คุยกักนดีใจ เออเข้าใจแต่รับหลังมาฟ้องพระยอมาอันเออนะเออเดี๋ยววันหลังพูดให้แต่หลวงพ่อได้กินก่อนว่าพูดก่อนในเรื่องไฟเอใช้ไฟหายเนี่ยอันันมาพูดมาหลายวันละแต่เพิ่งได้ยินมาจ้าหลวงพ่อพูดกับเมื่อวันเมื่อวันสองวันก่อนเรื่องสายไฟก็จริงเราจะได้กินอะไรกันหมนะเพียงแค่ว่าใครจะพูดหรือไม่พูดตอนไหนเมื่อไหร่กาลเทศะมันบอกกันอยู่เนี่ยนะ เราก็เลยเหมือนกับว่าอย่าอย่าออกนอกอารมณ์กรรมฐานให้มันมากเกินเหตุพยายามตัวใครตัวเราหันย้อนกลับมาแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆไม่มีใครเทศเดี๋ยวอาตมาจะรัตนาเทศเองแล้วก็ออกมาด้วยนะทีละคนสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เทศจะยมฟังถ้าอยากพูดอยากเทศมาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานอยู่ตรงนี้หน่อย แล้วเดี๋ยวมันจะยิงขึ้นดาวเทียมแล้วหลายคนก็จะได้ยินได้ฟังกันจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีเรื่องแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดที่วัดป่าสูุตัวบางคนก็ติดตามแล้วก็สนใจอยู่อเพราะฉะ น, นั้นอาจามาก็จะสรุปนะวันนี้ที่พูดก็นั้นหมายถึงว่าให้เราเข้าใจเรื่องสมมติปลมาณกันให้ชัดสมมุติมมตบัญญัติเกิดในจิตของเราที่เป็นภาษาในสมองทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดเลยแต่เป็นลักษณะของสมมติบัญญัติที่เป็นสมมติสัตเ จ, จ เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญความดีความงานจริธรรมอันนี้มันก็ตกลงร่วมกันจ้งเกิดกฎหมายเกิดวินัยขึ้นมาอะไรมากมายแล้วก็นแล้อตกลงร่วมกันใครคิดแบบนอกกรอบแบบแหกโคกได้แต่ถ้าสังคมยอมรับคือรวยเลยได้ตังค์ในกระเป๋าไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นไม่เป็นที่ยอมรับนะจะโดนกระหน่ำซ้ำเหยียบจจมดินเรียกว่าธรณีสูบตรงนั้นะธรณีสูบคือการที่เขาไม่พอใจเขาเอาลุง ก, กระทึกจมดินไปเลย นี่คือในหน้านะของปูราธิฐานธรไมยธิฐานเนี่ยมาเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมากกว่านั้นเนาะเป็นเรื่องของประชาชนหมู่ใหญ่รวมยมอย่างมันวิกามันจะวิกาเน่ยสมัยวัฏฏิการเนี่ยอ้างว่าท้องกับพทุทธองค์นกับพระเจ้าเสร็จแล้วขณะที่พระเจ้าเทศอยู่เนี้ยนางมานวิกาก็เดินแสดงตัวว่าท้องกับพทุทธองค์พระองค์จะว่าไงล่ะทีเนี่ยก็นิ่งกันเล ใช้สมมติไปก็เป็นเหตุผลถูกผิดท่านเลือกใช้สมาธิตั้งมั่นนิ่งเลยไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากมายจะแล้วก็ให้พูดะให้พออพูดก็ไปคนฟังเทศฟังธรรมก็มีอยู่มันก็มีสองพว ก, พวกที่เชื่ อ, อพวกไม่เชื่อมันก็จ้องดูอยู่พระองค์จะทาไงเอ๊ะทำไมเป็นคนมากมากอย่างนี้สมณะรูปนี้เอ๊ะรัานนางคนนี้ ทำยังไงนาะเดินเข้าเดินออกมามือมือค้ำๆได้ทุกวันเข้าวัดเข้าว่าที่เชตวันนะเสร็จแล้วท้ายสุดเนี่ยดิ่นไปดิ่นมากระโดดไปกระโดดมาท่าไหนดาห่าพระองค์ไม่รู้จักละผิดชอบผู้ชายยังไงี่ทํากระทองทําไมวางหน้าวางตาเฉยเมยขนาดนี้ไม่เป็นลูกผู้ชายเลยมาดาแรลกเลยเสร็จแล้ว ในตำราก็บอกว่าหนูก็คือเทวดาปลอมตัวเป็นหนูแล้วก็ไปกัดเชือกขาดจริงจริงมาบอกไม่ใช่มันเต้นมากขนานมันขาดสติลืมไปว่าเชือกมัดอยู่ี้หมอนก็หลุดลงมาหมอนไม้หลุดลงมาก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเอายัดทองยัดไส้อะไรนะทำท้องพองๆก็เลยโดนกระทืบแต่พระสารธรรมมาบอกว่าธรณีสูบเทวทดาที่คนหนึ่ง ในลนักษณะของอันตามีความเห็นก็คือเนี่ยโดนกระเทือบอย่างครูจูหลินที่ภาคใต้แะเราดูภาพแล้วโอ้นี่ธรณีสูบนะธรณีสูบไม่รวมทั้งคนไปขุดหลุมหรือว่าอุโมงใต้ดินแล้วก็โดนทับกลบอยู่ในนั้นในหลุมอย่างเนี้ยประเภทธรณีสูบัก็มาโทนนี้ทั้งหมดนะคือตายกับดินนะเนะตายอยู่กับดิน นั่นเราก็เลยเห็นเนระื่องหนของภพภูมิต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาวิถีชีวิตต่างๆที่เกากําหนดมาเป็นพระวินยัยหรือว่าทางกฎหมายที่วินัยต่างๆเราก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องต่อไปนะการเกี่ยวข้องอย่าถูกต้องตัวนีนะ้มันอยู่ด้วยปัญญามันจะไม่ได้สร้างปัญหาแก่ตัวเองและไทยสุดทก็ได้ต่อคณังมาร์จาวิกาว่าเรื่องนีเรารู้กันสองคนนะน้องหญิง ไม่มีใครรู้กับเราด้วยมีเราสองคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอพูดอย่างงี้ปั๊บนางปรญญากาลเลว่าโกรธจัดเลยแสดงตัวเลยพุทโธงก็หนึ่งเฉยเรื่องก็จบแบบนั้นอนะอันนั้นก็นั่นหมายถึงว่าเกิดเมื่อสมัยพุทธกาลสองพัน ป, ปักปีแต่ยุคของเราคือสมมติบัญญัติเนี่ยแหละที่จะไ่เกิดเหตุผลถูกผิดต่างๆแล้วเราก็ทุกข์ไปกับเรื่องพวกนี้ ดังนั้นใครที่รู้ปรณิธาสภาวะนก็คือมีความรู้สึกตัวนั่นเองแล้วก็ออกมาจากความคิดออกมาจากการปรุงการแต่งยังวิถีเจียนบริสุทธิ์พุทธปองนเป็นชีวิตประมาจันจริงๆนะขอพูดให้ฟังว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีสติสมัญญาเราก็จะออกมาในวของการมวัตถุกรรมคุณต่างๆการกินการบริโภคแบบไม่ประมาณต่างๆแล้วเกียรตด เพาหากเราไม่มีเกียรติทางสังคมจะถูกลังเกียจก็คือมีนินทาและสรรเสริญสรรเสริญคือเกียรติยศนินทาคือเขาลังเกียจเอาอย่างเงี้ยหลายคนก็ทนไม่ได้กับคาพูดคําจาหรือว่าข้อนะสอบที่มันยากนะเราก็ต้องผ่านด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะก็คือปรมัาทสภาวะนะมันมีอยู่ในความรู้สึกตัวแต่ถ้าเมื่อหลงตัว ไม่รู้สึกตัวเข้าไปในความคิดตงนั้นคือสมมุติจัตจาเกิดในจิตในใจก็ที่หลงเพลินนี้เองนะอาล่ะเห็นว่าสมควรจะลาเรากล่าวพาพร้อมกัน